ขะเจริพรญาตโยมสาธุชนทุกท่านหัวข้อที่ได้รับนิ ม, มนให้มาบรรยายในวันนี้คือจะสุขอย่างไรในสังคมปัจจุบันคำถามนี้ก็ทัดว่าไป ก, าก็อาจจะชวนให้เกิดแง่คิดขึ้นมาบางคนอาจต้องข้อสังเกตว่าในสมัยนี้ มันก็มีความสะดวสบายแตมากมายอยู่แล้วชีวิตของคนในปัจจุบันก็มีความสะดสบายมากกว่าก่อนเยอะแต่การทังคำถามหรือการทประเด็นว่าแต่เป็นสุดยังไงในสังคมปัจจุบันเหมือ น, นกับจะบอกเป็นไนว่าในปัจจุบันนี้การมีความสุขไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายได้ คำถามก็คือว่าทั้งๆที่มีความสะดวกสบายมากมายแต่ทําไมการมีความสุขในสังคมปัจจุบันถึงกลายเป็นเรื่องยากหรือกลายเป็นปัญหาขึ้นมาความสะดวกสบายกับความสุขมันไม่ได้มาด้วยกันดอกหรือความพั้งพร้อมทางวัตถุซึ่งในสังคมปัจจุบันเกิดขึ้นมามาก มันไม่ได้มาพร้อมกับความสุขหรืออันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดนะว่าความสดวกสบายกับความสุขมันน่าจะมาด้วยกันแต่เราก็ได้พบในความเป็นจริงว่าความสะดวกสบายนั้นกับความสุขอาจจะเป็นคนละเรื่องนะเมื่อเร็วๆนี้ เลขาธิการสำนัก ง, งานสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็ได้มาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ได้ไปเยี่ยมไปดูงานในต่างจังหวัดเยี่ยมไปร้อยวรรหนู่บ้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตในชนบทผู้คนมีความสรุปสบายมากขึ้น มีรถยนต์มีโทรศัพท์มือถือมีตู้เย็นมีหม้อไฟฟ้ามีเครื่องเล่นซีนดีแล้วก็ดี d ีดีเป็นต้นชิตมีความสะลกสบานมากกว่าแต่ก่อนแต่ในวเดียว ก, กันก็พบว่าคนชนบทนั้นมีความสุขน้อยลง ด, ดูมันเหมือนกับขัดแย้งกันนะ สะดูกสบายมากขึ้นแต่ว่ามีความสูดน้อยลงซึ่งที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งกันเวลาพูดถึงเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็หมายถึงการที่ได้มีเสร์มีสิ่งเสร์มีสิ่งบริโภคมากขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นแต่การที่จะมีสิ่งเสร์สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นเนี่ยสำหรับชาวบ้านกงไม่น้อย ต้องไปกู้นี้อยู่สินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาต้องจ่ายหนี้ก็เอามือการณา์ผนะ่าความทุกข์เกิดขึ้นแนละ้วเพราะว่าไม่รู้จะหาเงินมาจ่ายหนี้าา ย, นยังไงความสะดวกสบายนะั้นมันเป็นเรื่อ ง, องการเสพการบริโภคแต่ว่าความสุขมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการมีเสพมีบริโภคอย่างเดียวนะ ถึงเวลาที่ต้องจ่ายนี้ก็ไม่รู้จะจ่าเหมือนที่ไหนจะจ่ายนะอันนี้อาตมาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นต้นทุนของความสะดกสบายหรือเป็นราคาที่ต้องจ่ายนะความสะดกสบายนั้นไม่เคยได้มาเปล่าๆสาหรับนีนี้ไม่น้อยมันต้องได้มาด้วยการเป็นหนี้และเมื่อถึงเวลาจ่าย ก็เป็นทุ ก, กข์แล้วครานี้ปัญหาที่ว่าสะดวสบายมากขึ้นแต่เป็นสุขน้อยลงเนี่ยมันไม่ใช่เกิด ข, ขึ้นกับเฉาะบดยันเดียวแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกเกิดขึ้นกับค น, นทั้งโลกเพราะเราก็พบว่าในปัจจุบันนี้คนมีความสะดกสบายมาก ข, ขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขมากกว่าเดิมเลยดูเหมือนว่าความความสุขจะน้อยลงไปทีซ้ ความทุกข์กลับเพิ่มมากขึ้นเราดูตัวเลขจากผู้ที่ไปโลกจิตในเมืองไทยก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นคนที่ค่าตัวตายก็เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนในสังคม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่ว่าในยุคในสังคมที่มีความคล่องพคล่วบริบูรณ์มีความสะดวกสบายมากขึ้นและจะมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ผู้คนเนี่ยกลับมีความสุขน้อยลงแล้วก็อาจจะสุขน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยทาให้หลายคนเกิดคําถามขึ้นมา ซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อในการบรรยายวันนี้ก็คือว่าจะสุขได้อย่างไรในสังคมปัจจุบันที่ว่าไปแล้วเนี่ยความสูงคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับสามอย่างอันที่หนึ่งคือ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุอันที่2คือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นและที่3คือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวเองเราเกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้อย่างไรเนี่ยมันไปมีผลต่อสุขและทุกข์ของเราอาตมาจะเริ่มต้นประเด็นแรกก่อนก็คือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุ ในยุปัจุบันเน่ยวัตถุเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากบางคนก็เรยกว่านี่เป็นทุกบริโภคนิยมนะชีวิของเราเกี่ยวข้องกับ ว, วัตถุมากบางคนนี่ก็ไม่ต้องเจอคนเลยก็ได้นะก็อยู่เกี่ยวข้องกับ ว, วัตถุครอนะนี้อะไรที่เป็นสาเหตุให้คนเรามีความทุกข์เวลาเกี่ยวข้องกับ ว, วัตถุ อาตมาเคลื่อประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของความอยากคนปัจจุบันเนี่ยถ้าจะทุกเพราะว่าทุก็เพราะว่าอยากมีมากๆหรืออยากได้อีกอยากมีมากๆหรือว่าอยากได้อีกคือเราคงปฏิเสธไม่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ยืด ย, ยุ่ให้เราอยากเสริมอยากบริโภคอยากครอบครองเยอะ แล้วก็มีวิธีการตามที่ทําให้เราอยากจะซึ่ง อ, อยากจะหาทั้งๆ ท, ท, ที่ก็มีมากอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้มากแล้วก็อยากจะได้อีกอันนี้แหละที่เป็นปัจจัยเบื้องต้นของการที่ทําให้คนเรามีความทุกข์ ท, ทั้งที่ชีวิตก็มีความสะดวกสบายอยู่แล้วแต่ทุกข์เพราะความอยากอยากจะได้มากอยากจะได้อีกซึ่งอาจจะต่างจากคนสบายปอดที่ว่าทุกข์เพราะไม่มีจะ ก, กิน นะทุกข์ไม่มีจะกิ น, กนแต่ปัจจุบันนี้มันเลยจุดนันเป็นแล้วมีกินมีพางพร้อมแต่อยากจะได้มากแล้วก็อยากจะได้อีกนะสำหรับคนจนวไม่น้อยเนี่ยซึ่งหันมาอาธรรมะการที่จะถูกสิ่งกระตุ้นจากโฆษณาอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ คนที่สนใจเรื่องธรรมะก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีภูมิคุ้มกันนะกับกระสาโฆษณากระาบริโภคนิยมนะแต่ว่าคนตัวน้มมน อ, นอยไม่มีภูมิคุ้มกันโนะดยเฉพาะเด็กๆรูปหลายของเรานะเพราะมีความทุกข์กับเรื่องนี้มากเพราะว่าเขาอยากจะได้มากอยากจะได้อีกนะ แสิ่งที่เข้าใจจะได้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตอันนี้เป็นประเด็นสาคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าภูมิคุ้มกันสําหรับความทุกข์ชนิดนี้คือการที่เรารู้จักพอความรู้จักพอแต่ความรู้จักพอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเข้าใจกันได้ไง่ายๆ แล้วเดี๋ยวนี้เราก็คูยกันเยอะความรู้จักพอเราจะพอได้อย่างไรคำถามอย่านี้เราจะพอได้อย่างไรในทางศาสนาเนี่ยเราจะพอได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักนะชื่นชมหรือพึงพอใจในสิ่งที่เรามีความพอเพียงกับความพอใจต้องมาติวกันเราจะพอเพียงได้ก็เพราะว่าเรา พอใจนะถ้าเราไม่ได้จับพอใจในสิ่งที่เรามีมันก็ไม่รู้จักพอเพียงสักทีแต่ีก็มีคําถามขึ้นมาว่าเราจะพอใจในสิ่งที่เรามีได้อย่างไรนะบางคนเนี่ยจะบอกว่าเรื่องโฆษณาเนี่ยนะไม่ทํำในฉันไม่ได้นะนะเพราะว่าฉันก็ไม่มีความอยากแล้วก็คือไอ้สิ่งที่โฆษณากันมันก็ไม่ใช่เนสิ่งที่ฉันสนใจ แต่มั น, นก็มีความทุกขร์รานะวัตถุนโดยเพราะเมื่อคนอื่นเขาได้มากกว่าเรานะเวลาคนอื่นได้มากกว่าเราเนี่ยคนจะไม่นอนเลยจะรู้สึกวันไหวอติบายตัวนนอย่างเนี่ยนะวันปีใหม่เนี่ยวันสิ้ปนปะีสมมติเราทำงานในบริษัทนะเราได้โบนัสนะ 1เดือนคลนะ้ายๆก็ดีใจนะเวลาได้โบนัสหนึ่งเดือนแต่พอรู้ว่าเพื่อนได้โบนัสสองเดือนนี่เป็นยังไงยังจะยิ่งได้หรือเปล่านะเวลาแจกของขวัญนนะเวลามีการแจกของขวัญกันในวันปีใหมนะ่เราก็ได้ถ้วยน้ําช า, าใบสวยนะแต่พบ ว, ว่าเพื่อนเขาได้ถ้วยน้ําชาที่สวยกว่าหรือดีกว่า เรายัางยินจะดีใจอยู่หรือเปล่าเวลาเราไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดไปซื้อของที่ระลึกราคาห้าร้อบาทลราต่อมาจนถึงจนได้250แต่พอกลับไปที่พกักบอกว่าเพื่อนที่มาด้วยกันก็ซื้อได้150ยห้าสิเรายัางดีใจอยู่ครับ ทุกเกิดขึ้นบางทีเลยนะทุกเกิดขึ้นเมื่อคนอื่นเขาได้ดีกว่าโดยเพราะคนนั้นเข อ, อยู่ใกล้เราเขาได้ดีกว่าเขาได้มากกว่านะคําถามคือว่าทําไมเราต้องทุกข์ด้วยในเมื่อสิ่งที่เราได้มันก็ดีเหมือนกันเราได้โดยธร้งชาตได้มาฟรีๆด้วยเ ป, เป็นของขวัญแต่ทําไมเราต้องทุกข์เราทุกข์เมื่อเรามองไปที่คนอื่น และเกเห็นว่าเขาได้ดีกว่าเราเขาได้ท่วท่องเาวทีใหญ่กว่าเราแทนที่เราจะดีใจเมื่อเราได้โบนัสหนึ่งเดือนเราถอดทุกข้อเราไปเห็นไปรู้ว่าเพื่อนเขาไ2้เดือนเ <c oughs> มื่อเราต่อของมาได้สองเราน่าจะดีใจแต่เราดีใจไม่ได้เพราะว่าเราไปไปเห็นไปรู้หรือไปใส่ใจเครื่องที่เขาซึ่งได้ถูกกว่า ตรงนี้แหละที่ความพอใจมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราชอบไปมองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นและการที่เราไปมองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นนี่มันทำให้เราไม่สามารถจะพอใจหรือชื่นชมในสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราได้ทั้งๆ ท, ที่เราหน่าจะมีความสุขมากกว่าตอนที่เราไม่ได้แต่บางคนที่เจอเหเตุการณ์เทตะมาว่านี่กับทุกยิ่งกว่าตอนที่ตัวเองยังไม่ได้ของขวงัญทุกกว่าตอนที่ตัวเองยังไม่ได้รถนะ เวลาอาพวผมไปแจกชาวบ้านเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยแจกคนละผืนคนละผืนคนละผ น, น, ะนบ้านละผืนบ้านละผืนชาวบ้านดีใจแต่พอรู้ว่าอีกบ้านก็ได้สองผืนยิ้มไม่ออกเลยนะกับทุกยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้แจกเอ๊ะมันน่าแปลกนะไอตอนที่ได้แจกมันน่าจะมีความสุขดีใจมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้แต่ทําไมกลับรู้สึกแย่กว่าเดิมอันนี้พา อ, อะไเพราะว่าเราไปเปรียนเทียบ กับผู้อื่นและเราไม่รู้จักพอใจและชื่อชมในสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่ได้มานี่คือปัญหาคนปัจจุบันความไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และในสิ่งที่ตัวเองได้มาและนี่ก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะมีอยากจะได้มากขึ้นเรื่อยๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยมี CD เป็นร้อยแผ่นะ แต่ก็ไอ้ร้อยแผ่นนี่ก็ไม่ทำให้มีความสุขเพราะอยากจะได้แผ่นที่ร้อยหนึ่งหลายคนมีมีกระเป๋ามีนาฬิกามีรองเท้าหลายคู่หลายเรือนแต่สิ่งที่มีไม่เคยทำให้มีความสุขเลยเพราะใจอยากจะได้อันใหม่ที่เขาวางขายอยูน่นี่คือปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้จักพอใจและชื่นชมในสิ่งที่เรามี ทั้งที่สิ่งที่เรามีนะมันก็มีเยอะแยะอาจมาพูดนี่ไม่ได้หมายถึงวัตถุอย่างเดียวนะรวมถึงบุคคลด้วยเช่นนี้พ่อมีแม่มีลูกมีห ล, ลานที่น่ารักแต่ว่าเราไม่ค่อยเอาสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในความคิดเพราะใจเราไปจดจ่อกับสิ่งที่เรายังไม่มีสิ่งที่ทเรายังไม่ได้หรือสิ่งที่คนอื่นเขามีโดยเ่าคนที่เขาอยู่ใกล้กับเราฉแต่ะมาคิดว่ า, วาการมองถ้าเรามองให้เป็นเนี่ย เราจะมีความสุขได้นั้นประเด็นแรกเลยในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุก็คือว่าเราต้องพอใจและชื่นชมในสิ่งที่เรามีนะอันนี้คือหัวใจนะเป็นเป็นบันไดขั้นแรก น, นนี้นอกจากการชื่นชมพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วเนี่ยเราก็ต้อง มองให้เห็นไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่จะทําทให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อความโลภที่อยากจะได้มากอยากจะได้อีกก็คือการมีปัญญาและเห็นโทษหรือข้อเสียของการมีมากๆให้การมีมากๆนี่ก็มีข้อเสียนะเมื่อเรามีมาก เราต้องคอยเป็นห่วงเป็นกังวลนะคนที่ม่มีคนที่ชาบ้านเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเ <c oughs> ขาไม่ต้องห่วงกังวลเลยไม่ต้องล็อกบ้านไม่ต้องล็อกประตูเพราะเขาไม่มีอะไรจะให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้กังวลแต่คนที่มีมเงินเยอะมีรถมีมีเพชรมีทองเนี่ยนะไปไหนก็ห่วงกังวลนะไอ้ความห่วงกังวลนี่แหละคือ ภาษาพุทธละเป็นโทษหรืออาทินวะเป็นโทษของการของโทษของท ร, รัพนยะ์การมีมากๆมันมีโทษนะความสะดสบายเป็นข้อดีแต่มันก็มีโทษตามมาเราลดเดืนทําให้เราดรรรสดวกสบายมากขึ้นโทรศัพท์ ม, มืดอถือทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นแต่มันก็ทําให้เรามีภาระเสียเวลาการ ม, มากขึ้นเสียเวลาการหาเงินมาผ่อนรถเสียเวลาห า, างเงินมา ดูแลรถเสียจเรามาหาที่จอดรถนะลองมาดูเลย น, นะเราลองพิจารณาเราใช้เปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่าให้ความสะดวกสบายหรือว่าทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยมัน ม, ม, นมีมันมีข้อเสียคือภาระภาระไม่ใช่แค่ที่เป็นตัวเงินเท่านั้นแต่มันมาถึงความกังวลความห่วงมันหมายถึงเวลาที่เสียไป มันน่าแปลกนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่สิ่งทุ่นเวลาเยอะแต่ทําไมคนเดียวที่หาเวลาน้อยหนอนหาเวลาว่างได้ น, น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเหล่านี้มันแย่งเวลาเราไปเยอะเลยโทรศัพท์มือถือเป็นตัวอย่างหนึ่งเด็กเนี่ยสมัยนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือไม้จะทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นเลยที่จริงมันน่าจะมีเวลาว่างมากขึ้นนะเพราะว่าแทนที่จะเดินไปหาเขา แทนที่จะไปคุยกับเขาเสียเวลาเดินก็แค่โทรศัพท์แต่พบว่าเด็กเสียเวลากับโทรศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆโทรศัพท์ไม่ได้ทาให้มีเวลาว่างม า, มากขึ้นเลยแต่กลับมีเวลาน้อยลงรถเดินทุ่เหมือนกันรถเดินไม่ทําทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นเลยมันทาให้เรามีเวลาน้อยลงคนชนบทไม่มีรถยนไปไหนมาไต้องเดิน แต่พูดว่าเ้ามีเวลาบ้างที่จะคุยกับลูกที่จะพูดคุยกันมีเวลาที่จะนั่งสบายๆแต่คนกรุงซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมีรถแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ได้คืนเวลาลทําให้เสียเวลามากขึ้นเลยซ้ำและที่นายพลวงในเวลานี้เนี่ยอาตมาเพิ่งไปประชุม เ, เกีเ่ยวกับการช่วยเหลือเยาวชนเพราะว่าเด็กเวลานี้เนี่ยเสียเวลากับ1 โทรศัพท์มือถือ2คอมพิวเตอร์3โทรทัศน์วันนึงประมาณ7ชั่วโมงเฉลี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยชั่วโมงเนี่ยเด็กเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งรู้แต่ไปสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งนั้นอันนี้คือคือคือปัญหาซึ่งเกิดขึ้นกับคนสมัยใหม่ไม่ใช่กับเด็กกับอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่เสียเวลาไปกับโทรทัศน์นะและสิ่งอานวยความสะดวนวันนึงเท่าไห แล้วทำให้เรามีเวลาคุยกับลูกทําให้เรามีเวลาคุยกับหลานทาให้เรามีเวลาพบปะกันมากแค่ไหนนี่ถ้าเรามีปัญญาเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดผลคุ้มการทําให้เราเนี่ยจะต้องมาช่างตรองเอ๊ะฉันจะซื้อโน่นซื้อนี่ดีไหมแต่ก่อนฉันไว่กมันมีแต่ความสะดวกสบายถ้าซื้อไหแล้วฉันจะสบายสบายฉันจะฉันจะดูดีฉันจะมีความสุขแต่ว่าเราไม่ได้มองเห็น ภาละหรือปัญหาที่จะตามมาถ้าเรามองให้เห็นอย่างครบถ้วนเนี่ยเราก็จะทําใจแล้วว่าจะไปหามันจะไปซื้อมาดีไหมและบางทีอาจจะรู้สึกเออไม่มีก็ดีเหมือนกันนะให้เขาเขาครืองข้างบ้านเขจะมีรถคันใหม่ก็จะมีสิ่ ง, งองํำนวยความสะดวกคันใหม่อย่างไรก็ช่าคเขาเพราะว่าฉันอยู่แบบที่ฉันสบายดีที่วัดอมตมานี่ไม่มีไม่มีไม่มีไฟฟ้า รถนะเข้าลําบากนะแล้วก็ไม่มีสายโทรศัพท์ต่ออินเทอร์เนต็ตก็ลำบากนะน้าประปาก็ไม่มีแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะให้ความสะดวกสบายที่เราไม่มีเนี่ยมไม่ทําให้เรามีความสุขน้อยลงเลยนะแต่จียงๆคือว่าพอมีา ม, มากๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าให้คนที่เข้ามาเคบะกับเราเนี่ยเขาคาะด้วยความจริงใจหรือเปล่า เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีมีพ่อค้าหับเลขพ่อค้าเลขคนหนึ่งเนี่ยขาถูกหวย20่ล้านบาทนะไทยรัดก็พาคหัวเต็มหน้าหนึ่งเลยนะเพราะว่านี่คือความฝันของคนของคนไทยอยากจะถูกหวยรดยเบอร์นะรากว่า1เดือนต่อมาพาคหัวอีกว่าพ่อค้าเลขถูกหวยค่าตวตาย พยายามฆ่านแต่ว่าไม่ตายเพราะว่าลูกมาช่วยทันนักขับไปสัมภาษณ์เกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าตั้งแต่ถูกหวยมันนี้ใครต่อใครเข้ามาขอเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนญาติของญาติของญาติหรือญาติตัวญาติเมียญาติญาติของใครเข้ามาตัวเก็ให้นะเพื่อเงินเอาไว้สามล้านเพื่อที่จะแจกอย่างเดียวเลยอีกสามล้านให้ลูกสาวคนละคนละหนึ่งล้านมีสามคน เก็บเงินเอาไว้จานวนนเพื่อทํามาค้าขายเป็นทุนซื้อรถซื้อบ้านเล็กสามารถแจกแต่ไม่พอใจคนที่รักจะไม่พอใจมีบางคนโทรขู่ฆ่าเขาบอกไม่ไหวเลยอย่างนี้คเครียดเลยเอายาข้ามาเลยกินแต่รอดมาได้นักสืบวินเข้าไปถามว่าไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกนี้ตอนเป็นพ่อค้าหาเล่หาเช่ากินทํา มีความสุขกว่าเป็นไหนไหนไอตอนตนนมีความสุขกว่าตอนรวย20ล้านนะพาะไม่ต้องมาคอยสู้รถตกเงือคนที่มาคอยขายคอยคอยข อ, ย ค, อยคือมีความจรงใจตอนตอ น, น, เ, นเรารู้ว่าคนที่เราคบมีความจริงใจแค่ไหนแต่พอรวยแล้วเราไม่รู้เลยก็าจริงใจกับเราหรือเล่าอันนี้คือคื อ, ค, อคืออาถินาวัตหรือโทษของการมีซัพมาซึ่งคนไม่ค่อยได้ตระ เราไปมึกเพาเออขอให้รวยขอให้มั่งมีเสียสุขแต่ไม่เคยถามตัวเองลยว่าแล้วลเราต้องเสียอะไรไปบ้างถ้าเรารวยคนไม่เคยถามนะเนีในปัญญาเนี่ยที่ภาษาพูดหรือวิโยุพิสมันสิการติดการน้อยเห็นยังที่ทั่วจนเห็นว่ามันมีดีมีเสียยังไงบ้างแล้วเราคูยังต้องสอนลูกสอนหลานให้เราเห็นด้วยให้เขาเห็นด้วยว่ามีดีมีเสียยังไงบ้างเด็กสมัยที่ชอบไปช็อปปิง้งเด็กเขาก็เห็นเราช็อปปิ้งมันดี แต่เขาไม่เคยมีพ่อไม่เคยมีใครสอนเขาไม่เคยใครถามเขาว่าช้อปปิ้งเนี่ยมันดีดีแล้วมันมีเสียยังไงบ้างเ้าไม่ได้ถูกฝึกให้คิดและบางทีผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เคยได้คิดไม่เคยได้ถามเรื่องแบบนี้ด้วยอันนี้เรเชื่อเสําคัญอันนี้เรื่องวัตถุเนี่ยนอกจากอยากได้มากอยากได้ได้อีกแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาสูญเสียไปนะ คนเราไม่ได้ทุกเพราะไม่ได้สมอยากเท่านั้นแต่ยังทุกเพราะสิ่งที่มีมันสูญหายไปอย่างที่เราสวดมนต์ธรรมวาช้ะก็จะได้มีความหมายตอนนี้ว่าพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักวัตถุซึ่งเป็นที่รักเมื่อมันพัดพลาดไปเราทุกไหมคนจะมีมากทุกเราจะทำอย่างไรที่จะไม่ทุกถ้าหากเราต้องพัดพาดหรือสูญเสียสิ่งของต่าง ในทางพุทธศาสนาท่านก็ ส, สอนไม้ยเยอะเช่นการมองในแง่ดีมองว่าเื อ, อดีนาะที่มันไม่เสียมากกว่านีนะ้เวลาเราเงินหายพันหนึ่งนะเราก็คอยแต่บนว่าทําไมต้องเป็นช้ำนะเราบ่นว่าวันนี้โชคไม่ดีแต่เราไม่เคยมองอมุมหนึ่งเดีนะที่มันเสียแค่พัน อย่างดีที่ไม่เสียไม่เสียเป็นหมื่นะเราเคยมองแบบที้เราเคยเปล่านะคืมองไม่ใช่มองแล้วทำให้ตัวเองทุกข์มากขึ้นแต่มองแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกปล่อยวางไมากขึ้นอันนี้คือคื อ, ค, อคือสิ่งสำคำัญคือการมองแง่ดีคือว่าเห็นว่าเออมันยังดีนะที่มันไม่เสียมากกว่านี้นะหรือการมองหรือการนึกไปถึงคนที่เขาลำบากกว่าเรา เวลาเราด้ถึโมที่เขาลำบากกับเราเนี่ยมันทำให้เราเราเสียใจเราเป็นทุกข์เมื่อเตือนสูญเสียน้อยลงนะมีนักกอล์ฟคนหนึ่งเนี่ยเมือ่อสัก3าม0ิี่สปีก่อนแกมีชื่อมากแกได้รางวัลจากการเล่นกอล์ฟแล้วเขาให้ให้เช็คมามาใบหนี้แกได้เช็คเสร็จแกก็เดินออกไปไปขึ้นรถประกวดผู้หญิงอายุสัก30กว่านะมาขอแสดงความดี ด, ดีด้วย แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะหัวทิ้งนะมีลูกสองคนนะลูกคนเล็กเนี่ยเป็นบางกะโลกไม่มีเงินรักษาเขาเอกไ็ไม่มีปัญญาจะไปหาเนจากที่ไหนจะไปทามาอากีก็ไม่ได้ต้องดูแลลูกเพราะลูกทั้งสองคนแล้วก็คนนี้นะพอได้ยินว่าเด็กคนเล็กเนี่ยตัวลูกเ้าคนเล็กๆเนี่ยกำลังจะตายเพราะบางกะโลก เขาก็ให้เช็คไปเลยอาทิตย์ต่อมาก็มีเพื่อนมาบอกว่าเมื่อทิที่แล้วนี่มีผู้ยิงมาขอเงินคูณใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาก็ถามว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเล่นแต่งงานนะแล้วเขาก็ไม่มีไม่มีรูปที่กรจะตายด้วยนะแทนที่นักกอล์ฟคนนั้นเนี่ยจะเสียใจเพราะถูกหลอหรือเพราะสูญเงินไปแก่กับ บอกว่านี่เป็นข่าวดีที่สุดที่ได้ยินมาในอาทิตย์นี้เป็นข่าวดีที่รู้ว่าไม่มีเด็กที่ไหนจะตายนะคนือแกไปสนใจเด็กมากกว่าเงินในกระเป๋าสนใจเด็กมากกว่าเช็คที่เงินได้ให้การมองถึงการมองแบบ น, นี้ก็ทําให้เราได้ทุกนะถ้ามาเจอคนคนคนในกรุงเทพฯเจอแบบ น, นี้จะคือเจอคนมาหลอกนะแต่ถ้าเรามองแบบ น, นี้บ้างนะแทนที่เราจะถึงเงินในกระเป๋าเรานึถึงคนอื่น นะว่าเออไม่มีเรื่องในายแบบนั้น mm hmm. เกิดขึ้นแล้วก็โล่งใจหรือนึกว่าเออดีหนะ้าที่มันไม่แย่ไปกว่านี้นะ mm hmm. เรามองนะเวลาเราเจอความสูญเสียเนี่ยเออทีาการมองให้เป็นเนี่ยมันช่วยมากนะ mm hmm. อย่าไปมองว่าเมื่อเราสูญเสียเราขาดทุนนะ มีคนนึ่งเนี่ยมีสองมีอาตมา ม, มันมีมันมีเรื่องเรื่อ ง, งซึ่งอาตมาเพือ น, น่าสนใจนะผู้ชายสองคนเนี่ยเดินไปในหมู่บ้านพรากว่าไปเจอการทางทีไปเจอลาตัวหลง ม, มาไนะม่มเจ้าของก็เลยก็เลยยึดยึดลาตัวนี้ไว้แล้วตกลงว่าจะเอาลาที่ไปขายนะก็ให้เพื่อนเนี่ยซึ่งเป็น คนผอมเนี่ยเอาลาไปขายกลางทางเนี่ยก็มีคนถือปลามาพอเขารู้ว่านี่จะาลาไปขายที่ตลาดเขาก็ว่าขอขอขอ ข, อขอนั่งดูนะถ้าดีก็จะซื้อแล้วก็บอกว่าอ้าช่วยถือปลาให้หน่อยแล้วคนแล้วเขก็ขึ้นไปขี่ลาขี่แล้วก็นั่งขี่แล้วก็ขี่วนไปรอบๆวนไปรอบๆบุกก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้น นะจนต้องรักสายตาไปก็คือว่าลานนถูกควต้าไปแล้วคนนั้นเท่ากันเลยคนที่เอาลาไปขายเท่าก็เลยตลวไม่รอไปตลาดแล้วก็เลยขนะี้ปลากลับบ้านขี้ปลากลับไปหาเพื่อนเพื่อนที่รออยู่เม่นเห็นเขากลับมาไม่มีลานะก็คิดว่าขายได้แล ก็เถามว่าขายได้เท่าไหร่เพื่อนบอกเท่าทุนนี่ไม่ใช่กาไรได้กาไรเป็นปลา2ตัวเท่าทุนจริงว่ะถ้าเราพนไปเลี้ยงเรขับตุนนะอุตส่าอุตส่า์าจเจาลาไปขายนี่เขาบอกาลาถูกขโมยแต่สำหรับนะชายคนที่เอาลาไปขายนี่เขาบอกเขาว่า ม, มันเท่าทุนนะเพราะตอนที่ พรตอนที่ตด้ก็ได้มา ฟ, ฟรีๆยังได้กําไรอีกก็คือปลาเขาไม่ได้เสียใจเล ย, ยเราเคยคิดบ้างต่อดเวลาของหายเงินหายรถหายเนี่ยเราเท่าทุนหรือเรายังกําไรอยู่เคยวยเมืม่อวันเรายังกําไรอยู่ถึงแม้เงินหายไปรถหายไปกําไรเนี่ยไม่กำไรได้ไงตอนเราเกิดมาเรามาตัวเปลา่า ใชแต่ทุกแต่ตอนนี้เรายังมีรถยังมีบ้านยังมีเงินในธนาคารนะเงินจะหายไปรถจะหายไปแต่เรายังมีอีกหลายอย่างที่อยู่ในอยู่ในครอบครองของเราในขณะที่เรามาวันแรกที่เรามาในโลกนี้เรามาตัวเปล่าแต่ต้นเรานี้เรายังมีอะไรต้องมากมายกําไรไม่ได้ไม่ได้เสียเลยนะเรากําไรเคยได้นมือนที่ว่าว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังกําไรแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย เวลาของหายเงินหายรถหายเพศรหายก็อาจจะทุกข์เพราะไปสนใจไปตรวจจอยอยู่แต่ของที่มันหายแต่ไม่ได้มองไม่ได้สนใจของที่เรายังมีอยู่มากมายเงินหายร้อยบาทเงินหายพันบาทเป็นทุกข์ทั้งที่มีเงินอยู่ในธนาคารเป็นล้านเป็นแสนทําไมไอ้ไปทุกข์เพราะไอ้เงินร้อยทั้งที่น่าจะเป็นสุขเพราะเงินแสนเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราหันมามองให้เป็นเนี่ยเราจะ เราจะไม่ทุกข์กับความสูญเสียและถ้ามองให้ดียกว่านั้ น, นเนี่ยคือมองว่าเออเห็นประโยชน์ของความสูญเสียเห็นว่าความสูญเสียนั้นเนี่ยมันมันเป็นสัญญาณเตือนเตือนอนิสัยธรรมของชีวิตเตือนว่าอะไรเตือนว่าชีวิตต้องมีความสูญเสียต้องมีความขัดแย้ง ความสูญเสียให้เราถือเป็นครูพ่เาเข้ามาสอนธรรมะแก่เราถ้าเราเหมาะเปนดิแบบนี้เนี่ยเราไม่ขาดทุนและเราได้กําไรเพราะเราได้ธรรมะเราได้ปัญญามากขึ้นนะความสูเสียเป็นเรื่องธรรมดามีบุ่คนหนึ่งเสียงโทรศัพท์มือถือหายไปเครื่องใหม่ใช้ไม่เท่เลยราคาตั้งสองมื่ก็ไปหาหลวงพ่อเพราะได้ข่าวหลวงพ่อท่านเก่ ง, น, งนั่งทางไหน ก็คือว่าหลวงพ่อจะหาจะหาจะช่วยให้หาโทรศัพท์เจอแต่หลวงพ่อไม่ถามว่าโทรศัพท์ยีห่หมม้อไหนหายเมื่อไรหลวงพ่อถามว่าเธอมีเงินถ้าเธอมีทองนะเขาบอกมีครับงั้นอีกไม่นานก็หายมีรถไหมมีครับอีกไม่นานก็หายมีแฟนไหมีครับอีกไม่นานก็ไป บอกว่าได้ฟังนี่จะกราบหลวงพ่อแล้ไปไ ม, ไม่ใช่เพราะกลัวจะกลัวจะกลัวจะถูกแช่งมากกว่า น, นี้นไม่ใช่แต่เข้าใจความจริงว่าเออการหายเป็นธรรมดาไม่หายวันนี้ก็หายวันหน้าและวันนี้ยังดีที่หายแค่โทรศัพท์เพราะวันหน้าจะต้องหายมากกว่า น, นี้จะต้องพัดพรมากกว่า น, นี้คือหลวงพ่อมามาบอกสัจธรรมโดยที่ไม่ได้สอนหรือว่าเออปล่อยวางนะหลวงพ่อไม่ได้สอนแต่พูดความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่เราไม่เคยนึกไม่เคยได้คิดเท่าไหรหลวพอมาเตือนให้คิดพอคิดแล้วก็รู้ก็เป็นนั้นว่าได้กําไรพราะได้ปัญญาว่าเออทุกเสียโทรศัพท์เป็นหนึ่งเครื่องแต่ว่าเกิดปัญญาที่มาแล้วว่าความสูญเสียเป็นธรรมดาควาพลาดพลาดเป็นธรรมดานี่ต้องมาคิดว่าเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่าขัดเดนย้ายอย่ายอมขาดทุนนะต่ต้องมองให้มองให้เห็นให้เกิดประโยชน์ให้ได้แล้วจะได้กําไรนะ เจ็ป่วย <c oughs> ก็อย่าทุกอย่าทุกอย่าตีโพยตีพายอย่าฟูมไฟ่านะมองให้เห็นว่าเออธรรมชาติามันสอนเรานะว่าอีกไม่นานเราจะเจอยินกว่านี้นะที่เจ็ป่วยวันนี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะยังจะต้องมีอีกมากกว่านี้เพราะในที่สุดเราทุกคนต้องตายก็ <c oughs> ามาสอนธรรมให้แกเรา ให้รู้จักให้รู้จักไม่ประมาทให้รู้จักการปล่อยวางแล้วเาะฉะนั้นเนี่ยสมาธิว่าไอ้ความสูญเสียเนี่ยไม่ใช่เป็นวัตถุ ก, ก็ดีไม่ใช่เป็นสิ่งของหรือมันคนลักด้วยนะมองให้เห็นประโยชน์จากความสูญเสียถามตัวเองว่าเมื่อเราสูญเสียสละเงี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างอยาเอแต่ทุบเพราะถ้าเราทุบเราขาดทุนในในเสียไปตั้งที่ต้องได้กําไรกลับมา อะไรไหนเสียไปตั้งทีต้องได้อะไรกลับมาบ้างคนที่สูญเงินไฟนห้รือต้องเสียใจนี่เรียกว่าเสียสองชั้นเสียทั้งเงินเสียทั้งใจแต่คุณเสียเงินไปแต่คุณได้ปัญญามาว่าเออนี่คือธรรมดาของชีวิตหรือว่าฝึกให้รู้จับมองในแง่ดีว่าเออดีนะที่มันเสียแค่นี้ไม่เสียมากไปขนาดนั้ที่จริงไม่ใช่แค่ความสูญเสียทัพสินน ความเจ็บป่วยก็สอนเราได้เมื่อเราเจ็บป่วยมันทาให้เราเห็นเล้ว่าเออตอนที่เราสุขตอนที่เราไม่ป่วยนีย่เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคนเราเวลาปกติไม่ค่อยเห็นนะว่าตัวเนี่ยกำลังมีโชคกําลังมีสุขกำลังนั่งทับอยู่บนความสุขเราไม่เห็นเพราะใจเราเป็นเรว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยเมื่อไหร่ฉันจะถูกหวยเมื่อไหร่ฉันจะมีรถคันใหญ่ทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยนั่งอยู่บนกองสุขคือความเป็นปกติ ไม่เห็นแต่เมื่อเราป่วยเมื่อไหร่เราเห็นเลยว่าอตอนที่ฉันร่างกายปกตินั้ะสุขแล้วนะแต่ตอนนั้นฉันไม่ฉัน ไ, ไดน่ด้เฉลี่ใจก็ะฉันเป็นปนึกไปมองข้างหน้าว่าเมือ่อไหร่ฉันจะถูกหวยเมือ่อไหร่ฉันจะมีรถนะให้ความเจ็บปวดม า, มาสอนให้เราเห็นว่าตอนที่เราปกติธรรมดาเนี่ยเป็นความสุขซึ่งเราจะไม่เคยเห็นนั้นะความเจ็บปวดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นครูที่สอน ให้เราตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีความสูญเสียความพะเพ่ากันเขามาสอนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เรามีเวลาเรามีอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่เคยสนใจนะแต่พอมันาหายไปคนขโมยไปถึงคั้นมันต้งเสียได้ยเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีก็ต่อเมื่อสูญมันไปแล้ว แต่ว่ายังไม่สายเกินไปถ้าหากว่ามันจะช่วยทําให้เราได้เห็นคุณค่าของสิ่งอื่นๆที่ยังมีอยู่บางคนเมื่อสูญแม่ไปแล้วเออถึงค่อยนึกว่าเรายุงโชคดีนะที่ยังมีพ่ออยแต่ทําไมต้องรอให้สูญแม่ไปก่อนเพื่จะเห็นคุณค่าของพ่อไม่จําเป็นแต่ว่าบางทีคนเราก็ต้องอาศัยความสูญเสีย เือที่ทําให้เราได้เห็นหรือเกิดปัญญาขึ้นมาแต่บางคนกับแยกว่านันคือว่าซูชีฟล้วไม่เกิดปัญญาเลยเพราะได้แต่ความทุกข์ใจมันจมอยู่ในความทุกข์ก็เลยไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดเราพูดมาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุนะแต่คนเราเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์รือสุกเพราะวัตถุอย่างเดียวบุคคลจะเป็นคนรอบข้างคนครอบครัวก็เป็น การเกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก็เป็นสุขได้เหมือนกันในทางอุตสาหนาท่านสอนเลยนะเราจะเกี่ยวข้องกับคนอย่างไรถึงจะมีความสุขคาสอนแรกก็คือรู้จักให้ทานการให้ทานเนี่ยอย่าไปเรียกว่า มันคือการได้บุญแต่บุญนั่นคืออะไรบาทีก็นึกไม่ออกหรือแต่ว่าเออถ้ามีบุญมากๆเราจะทําให้รวยจะทําให้หายป่วยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผู้เจ้าสอนเรื่องการให้ทานเพราะว่าทานนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เชื่อมให้เราได้สิ่งที่เชื่อมเรากับผู้อื่นให้เกิดสมรรถไตรีที่เอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลเพราะเมื่อเราให้ความสุขเราก็ได้รับความสุขกลับคืน ผู้เจ้าสอนให้เรารู้จักให้ทานก็เพราะว่าจะทำให้เราได้นิดและมิตรจะทำให้เรามีความสุขเมื่อเราให้ทานเราได้เห็นผู้อื่นได้ยินแย้นคนที่ทุกข็ยินแย้นแกนสายเราก็เกิดความสุขขึ้นมาอาตมาเมื่อช่วงเขา้าพรรษานี่ชักชวนให้คน ทำกิจกรรมอย่เรียกว่ากิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาก็คือการไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยไปช่วยเด็กกังพร้าไปช่วยปลูกต้นไม้ปลูกปา่าไปช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ประสบ ภ, ภัยสุรินี้ททำประมาณเจ็ดจังหวัดมีที่นึงก็คือไปไปนวดเด็กไปนวดเด็กที่บ้านสงเคราะห์ปักเก็ด เ, เด็กกังพราเด็กกังพราทูกทิ้งเยอนะ สุทิ้งพรพราะ พ, อ, พอแม่นี่ไม่ไม่พร้อมที่จะมีลูกเดือนี้มีเยอะมากแล้วก็หน้าแปลกนีมักจะมีเยอะประมาณเดือนพฤศจิกา ย, ยนหรือตุลาคมทราบไม่พอละก็เป็นก้าวเดือนหลังจากวันปีใหม่และ ว, วันวลอยเท mm ีย hmm. นเด็กบ้านของเขาที่บอกเลยเนี่ยพอถึงตุลาพฤศจิากายนเตรียมเต็ียมตัวได้จะมีคนทิ้งเด็ก เนี่ยก็ตมาก็ชวนเนี่ยอาสาสมัครไปนวดเด็กไปนวดเด็กเด็กเขาไม่มีใครอุ้มนะเขาก็นอนนึกภาพเด็กที่นอนอยูอยสองสามเดือนสีหเดือนไม่มีใครอุ้มอะ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่พอเด็กนอนอย่างเดียวแล้วร่างกายก็แย่มือท้าก็แย่ก็ให้ไปนวดไปนวดไปเล่นกับเขาดีคนหนึงเนี่ยจะเป็นไมเกรนผู้ใหญ่จะได้นวด กินยาตลอดเวลาแต่บอกว่าพอไปนวดแล้วนะลืมกินยาไปเลยลืมกินยาไปเลยผมบอกว่าม า, มาสังเกตว่าเออเราไม่ได้กินยาเลยเนี่ยไม่อาจจะไม่กินยาเพราอาจจะไม่ปวดหรือปวดแต่ไม่รู้สึกไม่สนใจก็ได้ไม่ไทํ้ถามราละเอียดนะมีบางคนที่บอกว่าตอนแรกไปที่ว่าจะไปให้จะไปให้เด็กแต่ปรากฏว่าเด็กเขาให้เรามากมาย เด็กเขให้ความสุขกับเราเด็กเขายิงมเด็กก็ทําให้เราสึกมีคุณค่าเด็กได้ทําให้สัญชาตใจในความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเองผลเราเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความสุขถ้าผู้ยำวิทยาศาสตร์คือวาให้เกิด endorphin ขึ้นมาเนี่ยความสุขมันเกิดจากการที่เราเกี่ยวข้องเราคนอย่างถูกต้องคือการให้ทานให้ทานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ทานวัตถุแล้วก็ไม่ได้หมงให้กับพระให้กับเด็กให้กับสุนัขที่เราก็จับให้พาไปไปเลียงสุนัขเลยสุนัขที่ ที่ถูก ท, ทิมบางคนเนี่ยที่วัตถามาเนี่ยเรามีปลูกป่ากันวันวัน12 ส, ง ส, งสิงหาปลูกป่ากันไปปลูกป่าเป็นแปดสิบเก้าสิยงคนนึ่งเนี่ยนะมาสุดท้ายเนี่ยธรรมาก็ให้ทุกคนไปไปไปทําสมาธิต่อหน้าธรรมชาติและไปเปิดใจว่าต้นไม้เขาบอกอะไรเราเมฆเขาบอกอะไรเราธรรมชาติบอกอะไรเรามีคนึเขาก็บอกว่า เมื่อครบเมื่อเวลาก็มาเวลาก็มาที่วันที่มาเห็นต้นไม้ถูกตัดเปนมาอนไม้เรู้สึกเขาแย่มาเลยเขาเปลี่ยนเหมือนกับต้นหญ้าเขาเปลี่ยนมืนกัต้นยาคือไม่มีไม่มีไม่มีความสามารถไม่มีกําลังที่ทำอะไรได้โลกมันเป็นอย่างเนี้แต่บอกเขาไปร่วมปลูกป่ากับเพื่อนๆ 80-90 คนรู้สึกว่าเลยว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ต้นหญาก็คือต้นไม้เขามีพลัง การทำงานการไปช่วยการไปเ อ, อื้อเฟือ้อเกื้อกูลทำไมเขาถึงพลังเลยเพราะเมื่อทากับหลายๆคนเนี่ยนี่นี่นี่นี่คือจับว่าเป็นทานนะคือการที่ไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ให้แค่เงินแต่ให้กําลังกายนอกจากาาการให้ทานแ้วอันกรมให้อีย่างที่สำคัญคือการให้อาภายัยการให้ภัยนี่สําคัญมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีบาปแผ้ในใจ บาดแพ้เกิดจากความโกรธบาดแพ้เกิดจากความทุกข์ความความความผงผืนเพราะในความสมัยของผู้คนต้องมีการกระทบกระทั่งกั น, กนและการกระ ท, กก ท, ทรกะบทขขกระทักก่งที่ทําให้เราเจ็บวดมากที่สุดคือกระทบกระทั่งคนใกล้ไอ้คนใกล้นี่ไม่เท่าไหร่แต่คนใกล้นี่จะเป็นรูปเป็นพ่อเป็นแม่หรือเพื่อนเป็นคนทํา ง, งานเป็นเป็นเจ้นาหน้าที่อ่าเป็นเจ้านายแล้วถ้าเราไม่มีอะไรเยียวยานะเราก็จะทุกข์ การให้อับปยเนี่ยต้อมาเรียกเป็นยาวสามัญประจํำใจทุกบ้านมียาสามัญประจําบ้านใช่ไหมแต่ในจิตใจเรามียาสามัญประจําใจหรือเปล่าการรู้จักให้อับยไว้แล้ก็คือยาสามัญประจำใจเพราะมันจะเยียวยาได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเกิดความโกรธแล้วเนี่ยเมื่อเราโกรธเราคิดจะากจะทำร้ายใครแต่คนที่ถูกทําร้ายเนคนแรกคือใครถ้าไม่ใช่เรา เพราะความกลัวมคือไฟที่เขาผลาญใจเราต้องรู้จักให้อภัย mm hmm. พู้เจ้าบอกว่าเรามีวิธีการให้การให้อภัยและการลดรับความรับลดรับเพียบบาปมีอยู่สองอย่างอย่างง่ายๆอันที่หนึ่งก็คือการเพ่งพิจารณาตัวเห็นความทุกข์ของเขาคนที่เขาท้องให้เราเจ็บปวด คนที่ทําให้เราทุกเนี่ยเราลองมองพิจะะนารณาดูเราจะพบว่าเ้าก็เป็นคนที่มีความเจ็บปวดมีความทุกข์ขาอาจจถูกกระทําไม่ดีมาก่อนตอนเด็กๆกขาอาจจะมีชิตแบบปากกับฟันทีดจนกระทั่งไม่ไว้ใจคนถ้าเรามองเห็นความทุกข์ในอดีตของเขาและความทุกข์ที่กำประสบและความทุกที่จะเกิด ข, ขึ้นของเขา ยิ่งเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เรายิ่งยิ่งยิ่งเห็นความทุกข์ของเขาที่รอเขาอยู่้าหน้าจะชัดเจนขึ้นแล้วเราจะสงสายเขาเราจะโกรเขาได้น้อยลงประกาศที่สองคือว่าลองนึกถึงส่วนที่ดีของเขาดูบ้างเขาอาจจะไม่ดีกับเราแต่เขาเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีก็จะมีนิสัยบางอย่างที่เราดีไม่เท่าเขาให้สิ่งเหล่านี้มาทําให้เราเห็นเขาเป็นม น, นุษยมากขึ้น และเราจะโกรธเราจะเกียดกน้อยลงเพราะเจ้าเปลี่ยนมาบอว่าในาสระที่มันมีจอกแหนะเต็มหมดนีทำงานเราถึตักน้ามากินได้ถ้ามีจอกแหนะเต็มหมดเนี่ยเราจะตักน้ามากินได้อย่างไรเจ้าก็บอกว่าก็ก็พยายามไล่แหวตัวจอกนะไปซะมันก็มีที่ก็ทาให้มีน้า ที่ไม่สะกปกที่เราสามารถตักมาใช้กินได้ตักมาใช้ทําใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เราจะเห็นเขาอยจะมองคนเป็นว่าเป็นไปด้วยจอบแห้อย่างเดียวลองลองไล่ต่อแหนไปก็จะเห็นเห็นส่วนที่ดีของเขาและสิ่งนี้ช่วยทำให้เรามีความพยายามน้อยลงเราจะให้อภัยเขาได้มากขึ้น เรื่องมึงให้เราให้ผัยมากขึ้นแล้วเมตตาก็จะเกิดขึ้นตามมาแล้วถ้าเรามีเมตตามากนะฮะมุติตาจิตก็จะเกิดขึ้นง่ายเวลาดอดกลับมานะเวลาเพื่อนร่วมงานเขาได้สองสองขั้นแต่เราได้ขั้นเดียวหรือว่าเขาได้เบิร์โบนนะัสสองเดือนแต่เราได้เดือนเดียวถ้าเรามีเมตตานะ <c oughs> เราก็ยินดีเออเขาได้สองขั้นเขาได้สอง 2 อ, อเดือนก็ดีแล้วก็เขาต้องการใช้เงินให้เรานี่ไม่ค่อยเลืนอนล้อเราไม่มีครอบครัวโบนัสขึ้นเดือนเดียวก็ไม่เป็นไรนะหรือเพื่อเราก็ได้เขาจับฉลากได้ของฝาที่ดีกว่าเราเออก็ดีแล้วเนะขาต้องการใช้ของดีๆก็ดีแล้วให้บ้านเรามีของเยอะแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพวก ร, วรักสวอรักงานก็ก็ไม่ไม่เสียใจไม่ทุกข์เราพอเราเมตตาแล้วเนี่ยเราก็มีมุทิตา เขาจะได้ดีก็จะมีรถคนใหม่ก็จะมีแฟนที่ดีกว่าเราสวยกว่าเราหล่อกว่าเราก็กว่าของเราก็ไม่เป็นไรนถ้าเมตตามเกิดขึ้นได้เพราะเพราะเรามีเมตตาใจแล้วก็มีความสุขใครก็จะได้ดีใครก็จะได้มากกว่าเราเราไม่ทุกข์เลยมันก็จะเป็เสริมตัวสันโดรคือความพอใจในสิ่งที่เรามีมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีเนี่ยยากเพราะว่าเราเป็นมองคนอื่น ว่าเขาได้มากเขาได้ดีเขามีดีมากกับเราแต่ถึงตอนนี้เราไม่เราไม่เราไม่ทุกข์แล้วเพราะเรามีบุติตาเพราะเรามีเมตตานะหรือแม้กรทั่งใครทําดีกว่าเราเราก็ยินดีด้วยแลนะสิ่งเหลานี้เนี่ยนะบางทีก็ต้องอาศัยปัญญาเข้ามาเสริมนะคือการมองให้เห็นถึงโทษของความโกรธโทษความเกลียดมีปัญญาหเห็น คุณของความกรุณาวความเมตตามนะีปัญ ญ, ญาอะไรเหน็นมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นเพื่อนมนุษย์กันเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นเพื่อนรวมต้องสงสารไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นพนม่ า, มาไทยเราล้วก็เป็นมนุษย์ก่อนที่จะเกิดมาเป็นคนโน้นคนนะีพนนน้พระเจ้าตรัสไปขนาดที่ว่าพระองค์ตรัสว่า ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสา ม, มีภรรยาของเราไม่ชาติใ่ชาติหนึ่งมาก่อนพระเจ้าตรัสนามนี้เลยนั้นคนที่คนที่เราโกรธด้วยเนี่ยคนที่ปิดใจกับเราเนี่ยพระุทธเจ้าสอนให้เนตตาเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเราก็เคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันมาก่อน ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งฉนั้นถ้าเรามองในแง่นนของเวลาย้อนกลับไปอสงไขยหรือมองในแง่ของความเป็นความเป็นเพื่อนมนุษย์ในปัจจุบันชาติที่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสังสารวัฏกันเราก็มีแต่เหตุผลที่จะรักกันที่จะมีเมตตาต่อกันมากกว่าที่จะโกรธกันมากกว่าที่จะเกิดกัน ประเด็นที่3ตัวเองอาจารยได้พูดถึงบุคคลและบุคคลนั้นนะตัวเองสําคัญมากเลยนะตัวเองนี่แหละปัญหาคือคนเราเนี่ยความทุกข์ส่วนเกิดขึ้นและส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีสันติกับตัวเองเราไม่มีสันติกับตัวเองเราทําร้ายตัวเองด้วยการปล่อยให้ความโกรธความเกลียด ควาเศร้ามาครอบนำจิตตรงนี้แหละที่สติเป็นเรื่องสําคัญเพราะถเรามีสติแล้วเนี่ยมันช่วยทำหนอกเป็นนี่กับตัวเองมากขึ้นคนเดินนี้เป็นนี่กับตัวเองยากนะให้ไปอยู่คนเดียวในห้องมีข้อวปลาอาหารมีทุกอย่างพร้อมๆแต่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มียูทิวไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเพื่อนคุย นะอยู่ไม่ได้ทําไมฮะถ้ารารักตัวเองเราก็ต้องอยู่กับตัวเราเองได้แต่คนไม่ค่อยอยากอยู่กับตัวเองนะอยากอยู่กับคนอื่นอยากไปเที่ยวอยากไปชอบพิ้นอยากอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยากอยู่กับคอมพิวเตอร์แต่ถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่มันก็ตกตะลึงนะคนโบราณที่บอกเลว่าอยู่คนเดียวให้ลองความคิดเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพร า, าความคิดเนี่ยมันจะเล่นงานเราเพราะเราเราไม่สามารถที่จะ เราไม่สามารถที่จะรู้ทันกำกับความคิดของเราได้ความคิดมันก็เลยกลับมาทำลายเราอันนี้คือสภาวะที่อธิมายีด้ว่าเราไม่เต็มมิตะตัวเองไม่มีสติตัวเองนะและที่สำคัญคืว่าเมื่อเราไม่รู้ท่าทางตัวเองเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กับเรามากก็คืออัตตาตัว ต, วตวนที่มันที่มัน ที่มันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดแบบภาษาแบบคนเบราคือว่ามาเนี่ยมันมันก็ได้ชอ่องอัตราตัวตนเนี่ยนะถ้ามันใหญ่โตเมื่อไหร่เนี่ยเราทุกข์เลยนะใครพูดไม่ถูกใจเราก็ทุกข์พราะมันไปกระทบอัตราของเราเขาได้มากเขาได้ดีกว่าเราเราก็ทุกข์เพราะมันไปกระทบอัตราของเราถ้าเราเมียตา ม, มาก เพียงแค่มีคนวิจารณ์เสื้อผ้าของเรารถของเราบ้านของเราเราก็ทุกข์แล้วท่านที่มันไม่น่าจะทุกขเ น, นเออเขาที่เข้าบ้านเขาว่ารถ ข, ของเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ทําไมเราทุกข์เพราะไอความสุดทึ่ของเราเนี่ยเขาว่ารถของเราคือเขาว่าเรา เ, เขาตำหนิ บ, บ้านของเราคือเขามาตำหนิตัวเรา เราเอาตัวตนไปรับคาตำหนิไปรับคำตอว่าไปรับสิ่งที่ไม่ปรารถนานะัถ้าเราไม่ไม่รู้จักควบคุมหรือว่าทามตัวตนให้เล็กลงเราก็จะทุกข์นะเราจะรับเอาคาตำหนิตา่ตางๆมาเป็นของเราตลอดเวลา ทำไงถึงจะไม่ทุกข์เมื่อมีคนมาตำหนนะิก็จะไปเอาคำตำหนินั้นมาเป็นของเราพนะพุทเจ้าก็ได้ทำเป็นแบบอย่างไว้แล้วนะเคยมีพราหมณ์มาตำหนิพระพุทธเจา้าต่อว่าพุทธเจ้าพราะองค์ก็ก็เลยถามว่าพราหมณ์มีเคยมีคนมาเยี่ยมบ้านของพราหมณ์ไหมพราหมณ์บอกมีแล้วถ้าเขามาเยี่ยมจะทำอย่างไร พระก็บอกว่าก็เอาของมาให้ห ม, มาต้อนรับเอาน้ำเอาของมาให้คูอเจ้ากระถางแล้วถ้าเขาไม่ดื่มน้ำํำไม่ดื่มของที่ท่านมาตวัวไว้ของน่าจะเป็นของใครนะพระบอกก็เป็นของข้าพเจ้าพรกเจ้าบอกเนี่ยฉันได้ก็ฉันนั้นเมื่อท่านตําหนิเราท่านต่อว่าเราแต่เราไม่รับมาเป็นของเรามันจะเป็นของใคร เราชอบเอาสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ท, ทางกายทางใจมาเป็นของเราอเสมอจิตที่มันไม่รู้เท่าทาันจิตที่ไม่วิชาก็าจะไปฉวยไปยึดสิ่งต่างๆเป็นของเราแม้กระท่งศัตรูเองเรียยวเป็นศัตรูของเราเลยศัตรูมันน่าเป็นของเราที่ไหนนะศัตรูมไม่หน่าเป็นของเราแต่เราก็เรียกว่าศัตรูของเรา ไอ้สิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าก็ยังยึดมัเป็นของเราแล้นเองว่ามันเป็นตัวที่เรียว่าเก็บกวาดเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆเข้ามาเวลาโกรธเนี่ยไม่รู้จักปล่อยเนะพราะเราไปยึดเป็นของเราเนี่ยเราโกรธความโกรธเป็นของเราเราเพียงแต่ปล่อยไม่รู้ว่ามาเป็นของเราเท่านั้นเองนะมี มีเรื่องเกิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชกรมหลงวงวชิญาณวงศ์นะพะบวัวนิเวศนท่านอยู่ประชาของของในหลวัชาลปัจจุบันก็คราวนั้นก็มีนาวานาวาเอกคนหนึ่งเนี่ยมากราบาาไหว้ท่านก็เป็นรู้สิษย์ท่านสมัยบวชพระม า, า, าทุกก็น่าตาเศร้าหมอก็สายหน้าบไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับทางพระทาเป็นอะไรบอกว่า มันวุ่นวายเหลือเกินมีแต่เรื่องทุกเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตเรื่องที่ทางานเรื่องลูเรื่องน้านไม่ไหวเลยครับสมเด็จท่านฟังก็ก็ฟังเฉยๆเสร็จแล้วก็บอกว่าเออให้ทําอะไรยังนะแล้วท่านก็เอากระดาษเนี่ยบอกว่าช่วถือให้หน่อยนะเอานั่งคุกเข่าแล้วก็เอามือยื่นมาแล้วก็ให้ถือกระดาษนี้ไว้ แล้วท่านก็หายก็ไปในที่ประทับห้านาทีเรืยแล้วสิบนาทีเรืยแล้วยี่สิบนาทีเรยแล้วไอ้กระดาษที่มันเบาเนี่ยถือไปนานๆก็เมื่อยกนหนักใช่ไหมเมือ่อยเกือบครึ่งชั่วโมงสมเด็จ ก, ก็เลยมากลับมาแลถามเป็นยังไงบอกหนักครับอ้าหนักก็ปล่ไปสิไปถือไม่ไม่เมื่อยได้ยังไงไม่หนักได้ยังไงท่า้องการสอนอะไร ไอ้ที่คุณทุกข์างหลังปวยนี้ก็พ่อไปแบกเอาไว้นะแต่คนเราถาแบกไว้แล้วเนี่เดีย๋ยวว่าไอ้แมกระดาษบอลบอลมันกันของขหนักขึ้นมาได้ใช่ปล่อยเนี่ยเราไม่ปล่อยเข้าไปยเป็นเราเป็นของเราเราชอบไปถือเอาไว้โดยไม่รู้ตัวนะสำคัญมากเลยแล้วนี่ก็มีเรื่องจริงเรื่องหนึงนะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคู้หงคนหนึ่งเนี่ยก็ทุกข์กว่ามาพบว่าสามีเนี่ยนอกใจ ก็มาณสเดปีอยู่ปรมาณสเอ็ดปีนอกใจโกรธมากเลยนะโกรธมากบึ้งทำลายชีวิตดีๆของกูไป1ิเอปนะีอยากจะทำลายอยากจะทำลายก็เป็นที่สามวันแต่แล้วก็สงบไปแต่ก็นึกเออเออปฏิบัติธรรมี่ดีนะโกรธแค่สามวันนะผ่านไป6เดือนก็ ไม่มีอะไรแต่ว่าพอไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมนะเดินรงกรมนั่งทำสมาธิไอ้ความโกรธเนี่ยมันย้อนกลับมานึกถึงวันคืนเก่าๆนะที่ถูกหลอกถูกรวมนะอุศอุศอุทิตโ ศ, า ศ, าศาสารซื่อส า, า, ส า, า, ส า, ารเสยสละโกรธมากโอแกรู้เลยว่าไอ้ที่เราคิดว่าความโกรธมีแค่สามาธิที่ดีไม่ใช่มันมันงลึกโปรธนะทไปก็โกรไปนะ แต่ก็มีตอนหนึ่งนะบอกวาขณะที่เดินดืนตรงกรมเดิ น, ดนจงกรมเมือมือประสานวที่ท้องเนี่ยเดินไปชั่วโมงใช่ไหมเมือม่อเมือมอม่อก็ก็ปล่อยมือพอปล่อยมือก็สบายแต่พรากฏว่าไม่ใช่แค่สบายกายนะสบายใจด้วยเพราะได้คิดขึ้นมาเลย ว, ว่าโอ้เพียงแค่ปล่อยก็หายทุกแต่ที่เราทุกเราไปยึดเอาไว้ เราไม่ได้ยึดมือเขาไว้เราไม่ยึดมือไว้อย่านะเราไปยึดเอาความทุกข์เรื่องราวในสติเอาไว้ไม่ปล่อยสักทีเรื่องมันจบไปแล้วเราไปยึดอยู่นี่เป็นถ้าปล่อยมือนี้ไงเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเลยว่าโอ้ปล่อยทําไมถึงไม่ปล่อยเพราะไม่มีสติแล้วเมื่อไม่มีสติแล้วมันเป็นเกิดอุปทานคือความยึดติดนมาอุปทานนี่ในภาษาบาลีความยึดติดยึดติดใน ในเราในยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแม้กระทั่งความโกรธความไม่พอใจก็ไปยึดว่าความโกรธเป็นของฉันฉันโกรธแต่ไม่เห็นความโกรธไม่เหมือนกันนะฮะเห็นความโกรธแต่ไม่ใช่คู้โกรธเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่เราก็ไปยึดเอาว่าความโกรธเป็นของฉันอัเพราะฉะนั้เนี่ยจะมาคิดว่าเราจะต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับตัวเราในการรู้เท่าทัน อักตาตัวตนของเราให้ได้แล้วก็อย่าให้มันเข้ามาเปบทบาทในชีวิตของเราหน้าเกินไปทิงอยู่แล้วเป็นกุฏิชนเราไม่สามารถจะละทิ้งตัวตนได้เรามีตัวตนอยู่แต่ว่าให้มีสปิรู้เท่าทาันและอย่าไปตามใจตัวตนหน้าเกินไปบางทีต้องรู้จักทรมาตัวตนบ้างเวลามีคนตําหนิเราแล้วเราโกรธเราโมโ ห, โหเราทุกข์ลองบอกตัวเองว่าเธ อ, อดีแล้ว ไอ้ที่ทุกข์ที่โกรธมันคือตัวตนมัโกรธเราไม่ได้โกรธทรมานบ้องมันจะได้มันจะได้เรียบร้อยเชื่อมขึ้นนี่เร่วามเชื่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราเกี่ยวข้องตัวเราอย่างถูกต้องนะกับวัตถุกับบุคคลก็ไม่ใช่เรื่องยาต่อไปและความสุขก็จะเกิดจากภายในแล้วเมื่อความสุขที่เกิดจากภายในแล้วเนี่ยเราไม่พึ่งถึงวัตถุและเราเราไม่สนใจว่าจะได้มากได้น้อย เพราะเรามีความสุดเราก็ความสุขจากภายในแล่นี่คือความสุขที่สังคปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักและหาไม่พบแต่เราพบได้ถ้าเรามีสติกัญญาอัตมาก็ใช้เวลาปราสมควรก็ขอที่สติกัญญาที่ข้อนี้ครับผมตัวการ์ดเลยนะครับการดำเนินการสามารถจยไปเรื่อยๆนะครับมา